แทนการนั่งสมาธิหวังสงบเปลี่ยนเป็นนั่งสมาธิหวังเจริญสติแล้วคุณจะไม่เสียเที่ยวเปล่าสักครั้งการนั่งสมาธิแบบพุทธต้องมีตัวตั้งคือกำหนดใจไว้ว่าจะรู้ลมหายใจแล้วรู้ว่าแต่ละลมหายใจเกิดอะไรขึ้นด้วยเช่นครั้งนี้ลมยาวหรือครั้งนี้สั้นครั้งนี้สบายหรืออึดอัด ร่างนี้ร่างกายผ่อนคลายหรือเกร็งแน่นแต่เมื่อรู้สึกเช่นนั้นไปสักพักผู้ฝึกใหม่ทุกคนจะอยากหยุดเพราะไม่เกิดประสบการณ์ภายในอื่นใดยิ่งไปกว่าฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ติดหรือเกิดแรงดันอยากลืมตาลุกไปให้พ้นๆที่จุดนั้นอย่าฝืนพยายามจดจ้องลมต่อเพราะจะยิ่งทรมานและผ่านเกลียดการนั่งสมาธิ เห็นว่านั่งสมาธิเสียเวลาเปล่าไม่ได้อะไรทางที่ดีคือเปลี่ยนมาเจริญสติแทนคือสังเกตจากความจริงที่เกิดขึ้นว่าแต่ละลมหายใจเข้าออกในช่วงนั้นมีแค่ความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยธรรมดาธรรมดาในหัวหรือว่ามีแรงดันในอกให้อยากลุกอยากลืมตาประกอบอยู่ด้วยเพียงเท่านี้คุณจะเห็นภาวะฟุ้งธรรมดาธรรมดาบ้าง ภาวะกดดันที่อยากเลิกทําสมาธิบ้างสลับกันเกิดขึ้นสลับกันหายไปเระ่ทั่งรวมลงรู้สึกถึงความเป็นจิตที่ปลุนแปลไปเรื่อยๆให้ดูไม่ใช่ยึดมั่นว่าตัวคุณคือจิตหรือจิตดวงไหนเป็นตัวคุณและเมื่อรู้สึกถึงการแสดงความไม่เที่ยงให้ดูได้จะเกิดประสบการณ์แปลกใหม่คือจิตสงบลงเอง พร้อมรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆและที่ตรงนั้นเมื่อย้อนกลับมาระลึกถึงลมหายใจก็เหมือนลมจะปรากฏชัดอย่างต่อเนื่องหลายครั้งก่อนจะวนกลับไปฟุ้งอีกเมื่อฟุ้งก็ดูใหม่สังเกตแยกย่าใหม่ว่าเป็นความฟุ้งธรรมดาหรือฟุ้งแบบมีแรงดันอยู่ด้วยเพียงแค่ทุกครั้งสังเกตอย่างนี้ ก็จะเป็นทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าได้เห็นอะไรบ้างกับทั้งมีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่มีการนั่งสมาธิครั้งใดสูญเปล่าเลยแม้แต่ครั้งเดียว